และหนุนการทาดีโดยตัวของมันเองทั้งนี้เพราะการที่จะได้ปีติสุขประณีตนั้นย่อมเป็นเงื่อนไขอยู่ในตัวว่าต้องเว้นทุจริตประกอบสุดจริตและการได้ปีติสุขประณีตนั้นแล้วก็จะเป็นแรงหน่วงเหนียวไม่เห็นหลงไหลากามถึงขั้นที่จะประกอบกรรมชั่วร้ายได้อย่างไรก็ตามสำหรับปีติสุขประณีตขั้นโลกีอาจต้องระมัดระวังบ้าง